วันนี้เป็นวันที่ส3บสามกราคมพุทธศักราช2557บดแต่ทราบตามสื่อต่างๆว่านี่แหละวันนี้เป็นวันก่อมอบใหญ่เหมือนในกรุงเทพจะปิดกรุงเทพฟังฟังดูแล้วก็ไม่สบายใจเหมือนกัน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 หรือฐานทั้งสามตัวนี้ออกได้โกรธหลงหรือความหลงออกได้้ารู้ทั้งหมดรู้แจ้งเห็นจริงรู้สิ่งควรไม่ควรรู้เหมาะสมไม่เหมาะสมรู้ถูกต้องไม่ถูกต้องออถ้ารู้รู้แจ้งหมดแล้วกัอนนั่นก้าสู่นิพพานนิพพานคือ รู้รอบขอบชิดปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่มันยากพูดไนพูดง่ายแต่มันยากแต่ถึงจะยากกับง่ายก็กเถอะนะแต่ทุกคนถ้ามองตนเองให้ทุกคนมองตนเองเรื่องทั้งหลายก็คงจะเกิดได้ยากอยู่อันนี้มันไม่มองตนเองมิตะปักหลักตัวเองปักหลักกระชี้ไปทางอื่น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 ต่างคนก็ต่างหันเข้าหากันโลบทั้งโลกก็จะสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขแต่ส่วนหนึ่งก็เข้าทําลองที่พระพุทธเจ้าท่านทำนายทายทักไว้ว่ามิขะสันดีมิขสันดีคือคนคนมันมากพอคนมันมากทีนี้ความคิดเห็นมัน ก, ก็มากหลากหลาย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 เห็นคนเหมือนกับเห็นคู่อริจตรูอย่างนั้นแ่ะพอเห็นหน้ากันเหมือมันก็นเห็นคู่อริคู่ศัตรูกันมันคงจะมาแย่งความสุขของข่าคนนั้นก็เหมือนกันเห็ น, นมันมนุษย์เนี่ยคนมันควรจะมาแย่งความสุขของข่าต่างคนก็ต่างมองออกไปข้างนอกว่ามาแย่งความสุขคนตนเองเมือ่อคิดได้อย่างนั้นกันน่ต้องขาดิ้ง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 กิเลสราคะโทสะโมหะนี้ยิ่งรุนแรงราคะโทสะโมหะเร่งยิ่ยงรุนแรงเพราะคนอายุสั้นจากนั้นคนเนี่ยเข้าประหัตประหารกันจากนั้นอายุของคนก็จะยืนยาวต่อไปอีกเพราะว่ามันมันคนมันหมดนี่แหละวัตวณของโลกแต่เราจะไปอยู่ในวัคในมุมไหน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 ฟังฟังดูพวกผ้าของใช้ต่างๆพวกผ้าเนี่ยหาผ้าห่มนุ่งห่มไม่ได้แต่พวกกลุ่มในกลุ่มใดทําผ้าได้เ้าก็ทําผ้าใช้เองถ้ากลุ่มไหนทําผ้าไม่ได้นะก็โอ้ลาบากอย่างมากๆพวกผ้านุ่มผ้าห่มของอยู่ของกินของใช้ขนาดเข็มเย็บผ้าหนึ่งมันจะเอาอะไรเย็บผ้า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 ทั้งเสือพญาติพระวง์ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าวิถูต ร, ระฆ่ากันเป็นเบือเหมือนกันแต่แลับหัวเมืองยุคสมัยนั้น<ม>การฆ่ากันมันเป็นธรรมดาแต่ว่าพูดที่ฆ่าเนี่ยฆ่ายอารมณ์มาดูศึกษาในพระไตรปิฎกมายุคสมัยพระ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 นี่แหละหลวงพ่อเองก็มีแต่อยู่ในป่าดงพงไพ่ได้ยินว่าเขาก็หิ่มก็ห่มกันหลวงพ่อมีแต่ตั้งจิตอธิษฐานไหวพระสวดมนตั้งจิตอธิษฐานเออเล็บเทปเจ้าเหล่าเทวาผู้มีบุญหนักสักใหญ่ผู้มีบุญวาสนาบารมีที่ได้บำเพ็ญในพื้นแผ่นดินไทย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 เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนามาแต่ดึกดำบันมาแต่นมนานมาแล้วมาฆ่ากันให้ชาวโลกเขาได้เห็นมันอดสูดูได้ขอให้ผู้ที่ผิดก็ยอมรับซะให้ผู้ที่ถูกก็เอาคนดีเข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองด้วยฤทธิอำนาจด้วยบาบุญบา ร, รมีของเทพเจ้าเหล่าเทวาช่วยบรรลบรรดาโดยเทอศ์นะ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 หลวงพ่อของสุจ้ายังถูกบัตรนเทกไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่หลวงพ่อจะทำยังไงได้นะถึงบัตรนเทกสนเ ท, น, เทนะเทกกับเทหรนะเหมือนกับเราเดินไปผ่านไปหมามันเหา่าเราไม่ให้หมาเห่าก็ไม่ได้วช่าว่าอย่างไงถ้ามันเก่งจริงก็มาใช่ปเ อ, ออกโผออกม า, มาเป็นหมาตัวไหนใครเป็นผู้ นั้นเราก็จะได้พูดทําความเข้าใจหลวงพ่อไม่ได้ผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆทั้งหมดกี่ปีกี่ปีข้างหน้าเยไม่รู้วันไหนแล้วหลวงพ่อก็จะตายแล้วจะไปผูกพยาบาทอาฆาตกับใครให้โง่ทําไมทํำไมำผิดถูกก็ไม่รู้เหรอแต่คนอิจฉาคนที่พูดบัตรชนเทนี่ไม่ใช่ธรรมดามันกัน่าหลวงพ่อเนี่ย แปลกปหนกันคงจะเป็นมีบาปกรรมอะไรข้าไม่รู้นรลูกหลานเลอทั้งที่เราก็ไม่ได้ลูกพยาบาทอาฆาตใครพูดไปตามธรรมดาแต่คนทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะทำไมเข้าใจผิดวะมีอะไรก็มาพูดกันก็ได้พระอินทร์พระอินทรน์ไม่ใช่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นฟา้าเมื่อไรพระอินทร์อยู่ใต้ดินกินข้าวธรรมดามีอะไรก็มาพูดกันได้ แต่มันก็อยากเหมือนกันนะลูกหลานนะนาจิตังน า, นาทัศนะอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดนั่นแหละเอาต่อนนี้ไปรับพรเนอะอนุโมทนาให้พร